สิขาและสาชีพของภิกษุเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เตื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นขาจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดํารงความสัตย์มีถ้อยคาเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก ห้าละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองรองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สมคีกันผููแต่ถ้อยคาที่สร้างสรรค์ความสมคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคําหยาบคือพูดแต่คําไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคําจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. เว้นขาดจากการพระราชพืชีกมและผูตคาม 9. ชั้นมือเดียวไม่ชั้นตอนกลางคืนเว้นขาดจากการชั้นในเวลาวิกาล 10. เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแกคุศล 11. เเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอม และเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 15. เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17. เว้นขาดจากการรับธาตุหญิงและทธาตุชาย 18. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร20เว้นขาดจากการรับช้างโคมา้าและลา21เว้นขาดจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน22เว้นขาด จากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาดจากการซื้อขาย 24. เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงยี่ส 26. เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำ การตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชกภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉั้นใดภิกษุก็ฉั้นนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้อง จะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีละขันย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในการสมรวมอินสี สุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสี่ถึงความสำรวมในจากขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกาย รู้ธรรมมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรียซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรียถึงความสำรวมในมนินทรียีภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทร์สีอันเป็นอริยนี้ย่อมสวยสุขอันไม่ระคณกับกิเลสในภายใน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 การละนิวรภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยะศีละขันอริยะอินทรียสองวรและอริยะสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลังตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าเธอและอภิชาความเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสัพสัต์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทจากปุกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจากปุกุ จ, จักละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในคุณธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาชาญสี่ิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการ น, นี้ที่เป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิต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 เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ ชาสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวนไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง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 บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน การสร้างสาลาสมเมื ata, ่ cer, laptop, อท่าน SO e. พระอ like ุเทนกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขพรามได้กล่าวกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนภาสิทของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนภาสิทของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์ท่านอย่าถึงอธรรมาภาพเป็นสรณะเลย เชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมาภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านอุเทนบัดนี้พระโคโดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพรามบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานเสียแล้วท่านอุเทนถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหน ในหนทางแม้สิบโยต์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยต์ถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้ยีย่สิบโยต์สามสิบโยต์สี่สิบโยต์ห้าสิบโยต์ร้อโยต์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แม้สิ้นทางร้อยโยตแต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านอุเทนโปรจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะ โปรดพระราชทานบี้เลี้ยงประจําแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากบี้เลี้ยงประจํานั้นแก่ท่านอุเทนพราหม์พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นบี้เลี้ยงประจําแก่ท่านทุกวันท่านอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์ห้าร้อยกหาปณะเป็นบี้เลี้ยงประจําแก่ข้าพเจ้าทุกวันพราหม์ การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อัตมภาพทั้งหลายท่านอุเทนถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนท่านพระอุเทนกล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอัตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลริบุตรเถิดโคตมุขพราหมณ์กล่าวว่า ด้วยบุญที่ท่านอุเทนชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านอุเทนข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สง์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยบี้ยเลี้ยงประจํ า, า ส, จส่วนนี้และบี้ยเลี้ยงประจําส่วนอื่นครั้งนั้นแหลโคตะมุขพราหมณ์ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สง์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยบี้ยเลี้ยงประจําส่วนนี้และบี้ยเลี้ยงประจําส่วนอื่น โรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตะมุขขีดังนี้แลโคตะมุขสูตรที่สี่จบหจังจีสูตร ว่าด้วยพราหมชื่อจังกีเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงบ้านพราหมชื่อโอปาสาทะของชาวโคศนประทับอยู่ณป่าไม้สาระชื่เทพวรนทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหมชื่อโอปาสาทะสมัยนั้นแหละพราหมชื่อจังกี ปกครองบ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสิทธิโกรศลพระราชทานปูมบำเหน็จให้เป็นพรมไทยพราหมและข้าับดีชาวบ้านโอปาสาทะได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสากยบุตร เสด็จออกพนวดจากศักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโคศนพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะโดยลำดับประทับอยู่ณป่าไม้สาระชื่อเทพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพีย่พร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก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 ครั้งนั้นแหลพราหมและขหบดีชาวบ้านพรามชื่อโอปาสาทะออกจากบ้านพรามชื่อโอปาสาทะรวมกันเป็นหมู่ไปยังป่าไม้สาระชื่อเทพวรนณทางทิศเหนือสมัยนั้นจีงกีพรามพักผ่อนกลางวันอยู่ณปราสาชั้นบนมองเห็นพราหมและขหบดีชาวบ้านพรามชื่อโอปาสาทะซึ่งล้วนออกจากบ้านพรามชื่อโอปาสาทะเดินรวมกันเป็นหมู่ ไปทางทิศเหนือเข้าไปยังป่าไม้สาระชื่อเทพวันจึงเรียกอมมาตที่ปรึกษามาถามว่าพ่ออมมาตพราหมณ์และขหาดีชาวบ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะออกจากบ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะเดินรวมกันเป็นหมู่ไปทางทิศเหนือเข้าไปยังป่าไม้สาระชื่อเทพวันทําไมกันอมมาตที่ปรึกษาตอบว่าข้าแต่ท่านจังกี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 จังกีพราหม์กล่าวว่าพ่ออมาตถ้าอย่างนั้นท่านจงไปหาพวกพราหมและข้าพดีชาวบ้านพราหมชื่อโอปาสาทะแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับจังกีพราหมพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนแม้จังกีพราหมก็จะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอมาตที่ปรึกษารับคำของจังกีพราหมแล้ว เข้าไปหาพวกพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะแล้วก็บอกว่าท่านขอรับจังกีพราหมณ์พูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนแม้จังกีพราหมณ์ก็จะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วย เป็นผู้ดีของจังกีพรามเวลานั้นพรามต่างถิ่นห้าร้อยคนมีธุระเดินทางมาพักอยู่ในบ้านพรามชื่อโอปาสาทะพอได้ฟังว่าจังกีพรามจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยจึงพากันเข้าไปหาจังกีพรามถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านจังกีจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือจังกีพรามตอบว่าจริง เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมพวกพราหมณ์ห้ามว่าท่านจังกีอย่าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมเลยท่านจังกีไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านจังกีเพราะว่าท่านจังกีเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดชั่วเจ็ดปันพบรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านจังกีจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคโดมพระสมณโคโดมต่างหากควรเสด็จมาหาท่านจังกีอันหนึ่งท่านจังกีเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและถึงจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เยตุภสาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ เข้าใจตัวบทและวิยกรชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษละถึงเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าลืมใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักดุจพรมมีกายดุจพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเป็นผู้มีวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคาอ่อนหวานอย่างชาวเมือง นุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนสอนมนแก่มานพสามร้อคนท่านจังกีเป็นผู้ที่พระเจ้าประสิทธิโคศนสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมเป็นผู้ที่พราหมณ์ชื่อโปคราสาติสักระเคารพนับถือนอบน้อมละถึงท่านจังกีปกครองบ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะ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 สันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วจังกีพราหมณ์ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าท่านพระสมณโคดมทรงเป็นผู้มีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายชนนีและฝ่ายพระชนก ทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตรกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณะโคดมทรงสละเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินและในอากาศโหนดแล้วละถึง พระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเเกษาดำสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนนีและพระชนกไม่ทรงปรารถนาจะให้เสด็จออกผนวดมีน้ำพระเนตรชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปลงพระเเกษาและพระมสุแล้วครองผ้ากาสาวพัด เสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิตพระสมณโคโดมมีพระรูปงดงามหน้าดูหน้าลืม่มใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุจพรมมีพระวรากายดุจพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคโดมทรงมีอริยสีนมีสีนที่เป็นกุศลประกอบด้วยสีที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพ ประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นการมราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีเป็นกิริยะวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพรามผนวดแล้วจากตระกูลสูงคือคติยะตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตรกตะตร ก, รต ก, ตรกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก ประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณะโคดมถวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณะโคดมทรงมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระมเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระเจ้าเปเสนที่โคสนพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระมเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะโปคระสาติพราม์พร้อมทั้งบุตรภันยา ก็ได้ถวายชีวิตถึงพระสมณะโคดมเป็นสรณะละถึงพระสมณะโคดมเสด็จถึงบ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะโดยลำดับประทับอยู่ณป่าไม้สาระชื่อเทพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะสมณะพราหม์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชา พระสมณโคดมเสด็จมาถึงบ้านพราหมชื่อโอปาสาทะโดยลำดับประทับอยู่ณป่าไม้สาระชื่อเทปวัรณทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหม์ชื่อโอปาสาทะพระสมณโคดมจึงจัดว่าเป็นแขกของเราที่พวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดม เราทราบพระคุณของพระสมณะโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณะโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณะโคดมมีพระคุณนับประมาณมิได้ถึงแม้ท่านพระโคดมทรงประกอบด้วยองคุณบางอย่างก็ไม่ควรเสด็จมาหาเราโดยที่แท้เราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมหลังจากนั้นจังกีพราหมณ์ได้กล่าวเชิญว่า ท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเราทั้งหมดจกไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยกันมานบชื่อกาปฏิกะทูลถามบทมนครั้งนั้น จังกีพราหม์พร้อมด้วยคณะพราหมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทรงปฏิสันทารเรื่องบางเรื่องพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพราหม์ทั้งหลายผู้แก่เฒ่าสมัยนั้นมานพชื่อกาปฏิกะยังเป็นหนุ่มโกนศีษะ มีอายุ16ปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตุภาษาสตร์อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นผู้เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชํานาญคัมภีโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยเขาได้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พราม์ทั้งหลายผู้แก่เฒ่ากําลังสนทนากันอยู่กับพระผู้มีพระภาคลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงห้ามกาปฏิกะมานพว่าภาระธวัชะผู้มีอายุเจ้าอย่าพูดแทรกขึ้นในระหว่างที่พราหมณ์ทั้งหลายผู้แก่เท่ากําลังสนทนากันอยู่จงรอให้เขาพูดจบเสียก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วจังกีพราหมณ์เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมอย่าทรงห้ามกาปฏิกะมานพเลย กาปฏิกะมานกเป็นบุตรของผู้มีสกุลเป็นพระหูสูตรเป็นบัณฑิตเจรจาถ้อยคำไพเราะและสามารถจะเจรจาโต้อตอบในคำนั้นกับท่านพระโคดมได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดธรริว่ากาปฏิกะมานกจกสำเร็จการศึกษาในปาพศคือไตรเพศเป็นแน่แท้พรามทั้งหลายจึงพากันยกย่องเขาถึงเพียงนั้นครั้งนั้น กาปฏิกะมานพได้คิดว่าเมื่อใดพระสมณโคดมจากทอดพระเนตรศกตาเราเมื่อนั้นเราจะทูลถามปัญหากับพระสมณโคดมครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของกาปฏิกะมานพด้วยจิตของพระองค์จึงทรงทอดพระเนตรไปทางที่กาปฏิกะมานพนั่งอยู่ครั้งนั้นแลกาปฏิกะมานพได้คิดว่า พระสมณะโคโดมทรงสนพระไทยเราอยู่ทางที่ดีเราควรทูลถามปัญหากับพระสมณะโคโดมลำดับนั้นกาปฏิกะมานกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมในบทมนันเป็นของเก่าของพรามทั้งหลายโดยสื่อต่อกันมาตามคำพีพรามทั้งหลายย่อมถึงความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมจะตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภระรัวาชะบรรดาพรามทั้งหลายพรามสักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่หรือกาปฏิกะมานกทุนตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมภระรัวาชะแม้อาจารย์ท่านหนึ่ง แม่ปาอาจารย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งตลอดขึ้นไปจนเจ็ดชั่วอาจารย์ของพรามทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริงมีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพระโคโดมภารัถวาชะฤาสีทั้งหลายผู้เป็นบุพพาจารย์ของพวกพรามคือฤาศีอัตกะฤาศีวามกะฤาศีวามเทพ หรือสีเวสามิตะหรือสียะมะตักขิหรือสีอังคีรสะหรือสีพารัทวาชะหรือสีวาเสธะหรือสีขัสปะหรือสีพะคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนที่พรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามบอกมนเก่าที่ท่านบุพกาจารพรามขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้ว กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายรู้สิ่งนี้เราทั้งหลายเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรถามว่าพารัตวาชะได้ทราบกันดังนี้ว่า บรรดาพราหม์ทั้งหลายไม่มีพราหม์แม้สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เป็นปาจารย์ของอาจารย์ตลอดเจดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่ง น, นี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุพการ์ของพวกพรามคือฤาษีอัตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตะฤาษียมะตักครฤาษีอังคีรสะฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีกาสปะฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนที่พรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตาม บทมนเก่าที่ท่านขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านได้กล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่ง น, นี้เราเห็นสิ่ง น, นี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ทำหประการมีผลเป็นสออย่างภารัธวาชะคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันแม้ฉันใดภาสิของพรามทั้งหลายข้อันนั้นเหมือนกันเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดคือแม้คนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถว ตางก็มองไม่เห็นกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมหาหมูลมิได้มิใช่หรือกาปฏิกะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดมในข้อนี้พราหมณ์ทั้งหลายมิใช่เล่าเรียนกันมาด้วยความเชื่ออย่างเดียวแต่เล่าเรียนด้วยการฟังตามกันมาพระรัตวาชะครั้งแรกท่านได้อ้างถึงความเชื่อ บัดนี้ท่านอ้างถึงการฟังตามกันมาทำห้าประการนี้มีผลเป็นสองอย่างในปัจจุบันทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. รู้จิความพอใจ 3. อนุสวะการฟังตามกันมา 4. อาการปริวิตกความตรึกตามอาการ 5. ทิฏฐินิชาณขันติ ความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้ทำห้าประการนี้แหละมีผลเป็นสองอย่างในปัจจุบันคือสิ่งที่เชื่อกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่เชื่อกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้ไม่เป็นอื่นก็มีสิ่งที่ชอบใจจริงๆสิ่งที่ฟังตามกันมาอย่างดีสิ่งที่ตรึกไว้อย่างดี สิ่งที่พินิษไว้อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเ ท, ท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่ได้พินิษไว้อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นก็มีภารัตวาชะคนผู้ฉลาดเมื่อจะตามรักษาสัจจะไม่ควรจะตกลงใจในข้อนั้นอย่างเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง